สามสิทธิระกรรมฐานรวมคําสอนครูบาอาจารย์สอนปฏิบัติและกรรมฐานรวมโอวาทคําสอนสั่งปฏิบัติและกรรมฐานบางส่วนสําหรับผู้เริ่มทําสมาธิเริ่มต้นหวังว่าถ้อยคำคำสอนจะเป็นกําลังใจปฏิบัติสําหรับผู้เริ่มต้นหลวงปู่มัน่นภู่ลิทัตโตปตรยัตปฏิบัติปฏิเวสจะแยกกันไม่ได้ หนังเนื้อเอ็นกระดูกต้องอิงอาศัยกันอยู่ชั้นใดก็ดีปริยัตปฏิบัติปฏิเวตก็อาศัยกันอยู่อย่างนั้นศาสตธรรมสามอย่างนี้จะ แ, แยกกันไม่ได้เลยกุลบุตรผู้บรรพชาอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้แล้วไข่เล่าไม่เคยเรียนกรรมฐานมาบอกได้ทีเดียวว่าไม่เคยมีพระอุปัชาทุกองค์เมื่อบวชกุลบุตรจะไม่สอนกรรมฐานก่อน แล้วจึงให้ท่าภายหลังไม่มีถ้าอุปชาองค์ใดไม่ก่อนกรรมฐานก่อนอุปชาองค์นั้นดำรงความเป็นอุปชายยะต่อไปไม่ได้ฉะนั้นกุลบุตรผู้บวชมาแล้วจึงได้ชื่อว่าเรียนกรรมฐานมาแล้วไม่ต้องสงสัยว่าไม่ได้เรียนพระอุปชัยยะก่อนกรรมฐานหคือเกษาผมโลมาผลนขขาเล็บทันตา ฟันตโจหนังในกรรมาฐานทั้ง5้านี้มีหนังเป็นที่สุดทำไมจึงสอนถึงหนังเท่านั้นเพราะเหตุว่าหนังมันเป็นอาการใหญ่คนเราทุกคนต้องมีหนังหุ้มพอถ้าไม่มีหนังผมขนเล็บฟันก็อยู่ไม่ได้ต้องหลุดล่นทําลายไปเนื้อกระดูกเอ็นและอาการทั้งหมดในร่างกายนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ ต้องแตกต้องทำลายไปคนเราจะหลงรูปก็มาหลงหนังหมายความสวยสวยงามเกิดความรักใคร่แล้วก็ปรารถนาเพราะมาหมายอยู่ที่หนังเมื่อเห็นแล้วก็สำคัญเอาผิวพันของมันคือผิวขาวผิวดำผิวแดงผิวดำแดงผิวขาวแดงผิวอะไรต่ออะไรก็เพราะหมายสีหนังถ้าไม่มีหนังแล้วใครเล่าจะหมายว่าสวยงาม ไถ่เล่าจะรักจะชอบจะปรารถนามีแต่จะเกลียดหนางไม่ปรารถนาถ้าหนังไม่ห่อหุ้มอยู่แล้วเนื้อเอ็นและอาการ อ, อื่นๆก็จะอยู่ไม่ได้ทั้งจะประกอบกิจการอะไรก็ไม่ได้จึงว่าหนังเป็นของสำคัญนะักจะเป็นอยู่ได้กินก็เพราะหนังจะเกิดความหลงสวยหลงงามก็เพราะมีหนังฉะนั้นพระอุปัชฌายะท่านจึงสอนถึงแต่หนังเป็นที่สุด ถ้าเราจะมาตั้งใจพิจารณาจนให้เห็นความป่วยเนา่าเกิอดอสุภะนิมิตรปรากฏแน่แก่ใจแล้วย่อมจะเห็นอนิจจสัจธรรมทุกขสัจธรรมอนัตาตาสัจธรรมจึงจะแก้ความหลงสวยหลงงามอันมั่นหมายอยู่ที่หนังย่อมไม่สำคัญหมายและไม่ชอบใจไม่ปรารถนาเอาเพราะเห็นตามความเป็นจริงเมื่อใดเชื่อคําสอนของพระอุปัชฌายะ ไม่ประมาทแล้วจึงจะได้เห็นสัจธรรมถ้าไม่เชื่อคำสอนพระอุปัชฌายะย่อมแก้ความหลงของตัวเองไม่ได้ย่อมตกอยู่ในบ่วงแห่งรัชนิอารมณ์ตกอยู่ในวัฏจักรเพราะฉะนั้นคำสอนที่พระอุปัชฌายะได้สอนแล้วแต่ก่อนบวชนั้นเป็นคำสอนที่จริงที่ดีแล้วเราไม่ต้องไปหาทางอื่นอีกถ้ายังสงสัยยังหาไปทางอื่นอีกชื่อว่า อย่างหลงงมงายถ้าไม่หลงจะไปหามันทำไมคนไม่หลงก็ไม่มีการหาคนที่หลงจึงมีการหาหาเท่าไหร่ยิ่งหลงไปไกลเท่านั้นใครเป็นผู้ไม่หามาพิจารณาอยู่ในข้อที่มีอยู่นี้ก็จะเห็นแจ้งซึ่งพูทธรรมขีติธรรมอันกเกษงจากโยคาสวะทั้งหลายความในเรื่องนี้ ไม่ใช่มติของพระอุปัชฌายะทั้งหลายคิดได้แล้วสอนคุลบุตรตามมติของใครของมันเนื่องด้วยพุทธพจน์แห่งพระพุทธองค์เจ้าได้ส่งบัญญัติไว้ให้อุปัชฌายะเป็นผู้สอนคุลบุตรผู้บวชใหม่ให้กรรมฐานประจำตนถ้ามิฉะนั้นก็มิสมกับการออกบวชที่ได้ะละบ้านเรือนครอบครัวออกมาบำเพ็ญในธรรมะธรรมวังโมฆะธรรม การบวชก็จะเท่ากับการทำเล่นพระองค์ได้ทรงบัญญัติมาแล้วพระอุปัชฌายะทั้งหลายจึงดำารงประเพณีนี้สืบมาตราเท่าทุกวันนี้พระอุปัชฌายะสอนไม่ผิดสอนจริงแท้เป็นแต่คนบุตรผู้รับเอาคำสอนไม่สั่งใจวินยูชนจึงได้รับรองทีเดียวว่าเป็นวิสุทธมรรคเทียงแท้หลวงปู่เสากันตสีโล ผู้ที่จะผ่านเข้าสู่อริยสัจนั้นจะไม่พิจารณากายไม่มีการมฐานอานาปานสติการกำหนดพิจารณากำหนดลมหายใจนั้นจะไปแทรกอยู่ทุกกรรมฐานจะบริกรรมภาวนาก็ดีจะพิจารณาก็ดีในเมื่อจิตสงบลงไปปล่อยวางอารมณ์ที่พิจารณาแล้วส่วนใหญ่จิตจะไปรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกในเมื่อจิตตามรู้ ลมหายใจเข้าออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นปกติจิตเอาลมหายใจเป็นสิ่งรู้สติเอาลมหายใจเป็นสิ่งระลึกลมหายใจเข้าออกเป็นไปตามปกติของร่างกายเมื่อสติไปจับอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจก็เป็นฐานที่ตั้งของสติลมหายใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยการสติไปกำหนดรู้ อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจดจ่ออยู่ที่ตรงนั้นวิตกถึงลมหายใจมีสติอรู้พร้อมอยู่ในขณะนั้นจิตก็มีวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเมื่อจิตสงบลงไปลมหายใจก็ค่อยๆละเอียดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดลมหายใจหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปจากความรู้สึก ร่างกายที่ปรากฏว่ามีอยู่ก็พลอยหายไปด้วยในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าลมหายใจยังไม่หายขาดไปกายก็จะปรากฏอยู่เมื่อจิตตามลมหายใจเข้าไปข้างในจิตจะไปสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางของกายแล้วก็แผ่ลัพสมีออกมารู้ทั่วร่างกายจิตสามารถที่จะมองเห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้หมดทั้งตัว พระลมยอมวิ่งเข้าไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายลมวิ่งไปถึงไหนจิตก็รู้ไปถึงนั่นตั้งแต่หัวจะหลดเท้าตั้งแต่เท้าจะหลดหัวตั้งแต่แขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาวขาวขาวเมื่อจิตตามลมหายใจเข้าไปแล้วจิตจะรู้ทั่วกายหมดในขณะใดกายยังปรากฏอยู่ปิดสงบอยู่สบงบยิ่ง รู้สว่างอยู่ในกายวิตกวิจารณ์คือจิตรู้อยู่ภายในกายตติโตรู้พร้อมอยู่ในกายในอันดับนั้นปิจิและความสุขย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปิจิและความสุขบังเกิดขึ้นจิตก็เป็นหนึ่งนิวรห้ากาลฉันทะพยาบาททีนมิทธะอุทธจะจักกุปกุ จ, จะวิจิกิชฌาก็หายไป จิตกลายเป็นสมถะมีพลังพอที่จะปราบนิวรหาให้สงบระงับไปผู้ภาวนาก็มองเห็นผลประโยชน์ในการเจริญสมถกรรมฐานหลวงปู่ฟันอาจารโรลดความอยากนั่งสมาธิแล้วจิตของเราไม่ได้ก่อพบก่อชาติจิตของเรานิ่งอยู่มันก็ไม่ได้สร้างบาปสร้างเวรกรรมอะไรก็หมดบาปหมดกรรม คือจิตของเราไม่มีกรรมกรรมทั้งหลายก็ไม่มีจิตของเราไม่ทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายก็ไม่มีจิตของเราไม่อยากความอยากของเราก็ไม่มีใจสงบเมื่อจิตของเราสงบแล้วอุปมาเหมือนกับน้ำที่สงบน้ำที่สงบมันก็ใสจิตของเราสงบมันก็ใสใสสะอาดปราศจากโทษปราศจากภายัย ปราศจากเริปราศจากความชั่วช้าหลามกปราศจากความทุกข์ลำบากรำคาญไม่มีมันสงบน้ำสงบมันก็มองเห็นตัวมองเห็นดีมองเห็นชั่วเมื่อจิตสงบได้แล้วมันจะได้เกิดเป็นวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่ชอบฐานนกโมหลวงปู่ตื่นเสมอถึงภยยัยสียางของพระกรรมฐาน ท่านได้สอนสิทธ์ของท่านขวน ร, ระวังระวังเหมือนถ้าเหา่าจะลงไปในห่วงน้ำข้ามโอเคขงฟานก็ต้องระวังภัยสี่อย่างคือคืนหนึ่งจระเข้หนึ่งหวังน้ำบนหนึ่งและป่าร้ายอีกหนึ่งท่านบอกให้สิทธ์อระหวังทั้งคืนทั้งจระเข้ทั้งหวังน้ำบนและป่าร้ายความดื้อดึงไม่อดทนเชื่อฟังต่อโอวาท ที่ครูบาอาจารย์ท่ามสอนและนําเปรยียดื้อไยไผ่คือคลื่นความเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแกนอนไม่ตอมเพ่งเทีย น, เ, ยนเปรยียดด้วยกับจระเขกา ร, รมคุณห้าอย่างรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสเปรยียดด้วยไผยคือวังน้นําวนใครหลงติดกา ร, รมคุณทั้งห้านี้ก็จะติดเหมือนลิงติดตังอยู่ในวังน้นําวนแล้วมีแต่ถูกกระแสน้ําดูดจมลงอย่างไม่ต้องสงสัย มาตุคามที่พระพุทธเจ้าสอนพระอนุ์ไว้ก่อนจะเสด็จไปนิพพานว่าควรหลีกเลี่ยงไม่พบปะด้วยหากจําต้องพบปะก็ไม่ควรพูดด้วยหากจําต้องพูดด้วยก็ต้องพูดด้วยความสำรวมมีสติท่านเสีย ด, ด้วยภัยคือป่าร้ายผู้จะผ่านพ้นโอคาสงสารหรือห่วงน้ําใหญ่ไปถึงพระนิพพานได้จะต้องอาศัยหลักของความเชื่อ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 สวรรค์สมบัติมีเราก็ทำทามรักษาศีลไหว้พระเจริญเมตตาภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราเชื่อว่าจิตของเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายรูปร่างกายเราตังหากที่แตกดับเราเชื่อโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์เราก็นขนวายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลเป็นอริยทรัพย์อริยบารมี ฟังไว้สำหรับติดตัวเราไปทุกชาติทุกภพจนกว่าจะถึงพระนิพพานถ้าเราไม่เชื่อโอวาไม่เชื่อกำดีกำชั่วจิตใจก็วันไวเป็นลูกคลื่นมากระทบจิตใจสู้ขึื่นแรงที่ทับถมมาไม่ไหวก็อาจจะจมน้ำตายผ่านขึ้นมาได้หากมาติดการเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ปราลบความเพียรถูกจอระเข้ร้ายซาดฟัน นับลงฝูใต้ท้องน้ำหรือกลายเป็นจระเข้ไปเสียเองดังนี้เกิดขึ้นฟ้องหลงฝูก็ได้ผ่านคืน่นผ่านจระเข้ก็อาจมาติดวางน้ำวนหมัวรักหมัวชอบมัวห่วงมัวห่วงมัวอาลัยในรูปลดจินเสียงสัมผัสเกิดความยึดถือมั่นหมายว่าเป็นของเราเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยกลัวเป็นหนัก กลัวล้มตายกลัวแก่กลัวตายไม่แต่ร่างกายของเราแม้ที่อยู่ที่อาศัยก็ห่วงก็ห่วงกลัวจำลุดฟุดโกรมร่างกายของคนอื่นก็ห่วงก็ห่วงก็อะไรสีด้วยจิตใจก็วันไวแหวกว่าอยู่กลางวังน้นําวนหลงยึดหลงติดก็ถูกกระแสน้ําดูดลงสู่วังน้นําวนเป็นวัฏวรตลอดไป หลบขึ้นหลบจระเทศหลบวางน้ำวนเผลอๆ อ, อาจจะถูกปาร้ายจับกินเป็นพักษาหารสผิ์ของท่านเองต้องสึกหาภาลเทศออกไปนักต่อนักแล้วหลวงปู่แหวนสุดจินโนถ้าเราให้มันหาอุบายมาอบรมจิตแล้วส่วนมากจิตมันจะเกิดความเฉยชาวางเฉยดังนั้น อุบายจึงเป็นของสำคัญยกขึ้นสู่การพิจนารณาชี้แ จ, ง ใ, จ, จ, ง, แจงให้จิตอาตถานร่าเริงเห็นแจ้งในจิตในใจของเราถ้าจิตยิ่งเกิดเกียดชางเท่าไหร่เราก็ต้องเพิ่มความพยายามตักเตือนโดยอุบายให้มากขึ้นให้เท่าเทียมกันจนเกิดความขยันขันแข็งเบิกบานผ่องใสให้ตั้งความตัดความเพียรไว้อย่าเป็นคนเกียดชางพระพุทธเจ้า สั่งสอนเราให้ตั้งอยู่ในมั่ในพลให้พยายามรักษาจิตรักษาใจของเราอาศัยความองอาจกล้าหาญในความภาคเพียรของเราอย่าอ่อนแอท้อแท้เราต้องสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าองอาจกล้าหาญจึงจะผ่านอุปสรรคไปได้หลวงปู่ศิลป์พุทธาจารยตัวเราก็จะต้องตายตัวเขาก็จะต้องตาย พุโทโธในใจให้มันรู้แจ้งโลกคนทั้งโลกสัตติอรัชานก็ต้องตายทั้งนั้นมันเกิดเกิดตายตายอยู่อย่างนี้ก็ภาวนาให้มันเห็นแจ้งในอกในใจความตายของสัตว์ทั้งหลายมันอยู่ที่ลมหายใจนี้ไม่ใช่อยู่ที่เครื่องทำลายชีวิตน่นเป็นความตายฉะนั้นลมหายใจขาดเมื่อใดเวลาใดก็ตายเมื่อนั้นเวลานั้น ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงส่งให้ประมาทตั้งสติระลึกไว้ดีทุกลมหายใจเข้าออกให้มันแจ่งแจ้งชัดเจนลงไปทุกขณะทุกเวลาโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ไม่วันไหวไปตามท่านก็ดูมรณะกรรมฐานอยู่ที่พระหัตถยของท่านหลวงปู่ขาวอนาลโยสติเป็นแก่นของธรรม แก่นของธรรมแท้อยู่ที่สติให้พากันหัดทําให้ดีเพราะนั้นมีสติแก่กล้าดีแล้วธรรมก็มีพลาดจิตก็มีพลาดกุศลและธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลอยู่กับสติแล้วสติเป็นใหญ่สติมีกําลังดีแล้วจิตมันรวมเพราะสติคุ้มครองจิตหลวงปู่หลุยจันทสาโรอย่าส่งจิตออกไปข้างนอก ให้ดูอยู่ที่กายให้หลือค้นร่างกายนี้ให้ชัดเจนให้รู้ว่าร่างกายนี้มันมีอยู่จึงทำให้เกิดทุกข์ก็ร่างกายนี้แหละมันทำลายความสุขมันทำให้เกิดเป็นที่รับโรคลังนอนอย่างไห่หลวงไม่เลือกหรว่าร่างกายของใครถ้าพิจารณามองให้เห็นตัดทห้ขาดจากร่างกายนี้นจริงๆแล้วจะพบความสงบสุขถาวรตลอดไป การเกิดเป็นคนต้องรู้จักหน้าที่ของตนเป็นคนมีความคิดหัดภาวนาอย่านอนอย่างวัวอย่างควายจตกประเทศนั้นมันนอนอย่างเดียวไม่ภาวนาเราต้องไม่ประมาทพวกที่เป็นพระสงฆ์องค์หน่ก็ควรฝึกหัดทำภาวนาอย่าอยู่โดยปราประโยชน์กินข้าวปลาของชาวบ้านแล้วอยากทิ้งเปล่าข้าวเม็ดน้าหยดต้องทดแทนคุณของเขาให้ได้ ทำภาวนาให้ถึงที่สุดจะได้สงบกายสงบวาจาสงบใจตามสติกำลังของตนพระอาจารย์มหาบัวอย่านาสัมปันโนขอให้สติบังคับหยุดกับงานของจิตที่ทำอย่าไปเผลอไผไปไหนเพราะจิตเมื่อยังไม่เคยเห็นผลกับทางด้านปัญญามักจะทะเลทลหลแม้จิตเป็นสมาธิอยู่แล้วมีความสงบอิ่มตัวในอารมณ์ ก็มักจัดทะเลทลายเข้าสู่ความสงบให้ไปที่อื่นไม่เคยไปแหละแต่มักเข้าสู่ความสงบเพราะเห็นว่าการพิจรารณาทางด้านปัญญานี้เป็นความยากความลําบากไม่อยากทุกข์ยากลําบากก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้ค้านไปด้วยการอยู่ในสมาธิไม่ต้องทํางานโดยกิริยาอาการของจิตใดๆทั้งสิ้นไปเสียนี่แหละจิตมันทะเลทลายอย่างนี้ แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีความสงบบ้างเลยนั้นจะพาให้คิดเจรณาไปแล้วไปใหญ่คำว่าปัญญามีแต่ชื่อในเบื้องต้นที่เราจะจ่อเข้าไปว่าให้เป็นปัญญาแล้วจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเลยเป็นเรื่องของสมุทยัยฉุดลากไปได้ทั้งวันทั้งคืนเพลิงไปในโลกเป็นสงสารไปหมดที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเหตุผลต้นปลายของจิต เกี่ยวกับเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาเรื่องสัญญาได้เป็นอย่างดีเพียงเราเรียนมาเฉยๆนั้นเป็นไปได้ยากเพราะความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงที่เป็นเหมือนกับตนเองของผู้ปฏิบัติเราเรียนมาอย่างไรเราก็จาไปอย่างนั้นแล้วก็คาดไปหมายไปถูกไม่ถูกก็หมายกันไปอย่างนั้นไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันหมดจึงถือเอาความจริงไม่ได้ ถือเอาความแน่นอนไม่ได้แล้วก็เชื่อตัวเองไม่ได้เมื่อได้พิจารณาทางด้านปัญญาโดยภัดปฏิบัติดังที่กล่าวนี้ก็ดังที่ว่านี่เองคือกำหนดตรงไปจุดใดให้สติเป็นเครื่องควบคุมจิตให้ทา ง, งานกับอาการนั้นๆโดยทางปัญญาเช่นอสุภะเอา้าพิจารณาหรือท่องเที่ยวหมดทั้งสกกายเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวาง สถานกลางเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานในร่างกายนี้ก็ไม่ผิดเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้ดูไปตามอสุภะอสุพันธ์เหมือนกับว่าเหยียบย่างก้าวเดินไปบนกองอสุภะอสุพันธ์ที่มีอยู่เต็มร่างกายของเรานี่แหละเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานหลวงปู่ดุลอตุโลหลวงปู่จะไม่แนะนําให้ไปไหนแต่ให้อยู่กับที่ ที่ตนดินดีชอบใจในจังหวัดบุลินรหรือบุรีรัมอาจเป็นที่วัดบัรภารามหรือวัดไหนก็ได้ที่รู้สึกว่าอยู่สบายหลวงปู่ถือว่าการปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่ไหนในเมื่อกายยาวาหนึ่งวานาหนึ่งคืนนี่แลเป็นตัวธรรมเป็นตัวโลกเป็นที่เกิดแห่งธรรมเป็นที่ดับแห่งธรรม สิ่งที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อาศัยบัญญัติไว้ซึ่งทำทั้งปวงแม้ใครใครจะปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติที่กายและใจของเรานี้หาได้ไปปฏิบัติที่อื่นไม่หลวงพ่อสดจันทสโรขั้นสมถานี้กายมนุษย์กายมนุษย์ละเอียดกายทิศกายทิศละเอียดกายรูปคมกายรูปคมละเอียด กายอารมณภมกายอารมณภมละเอียดนี่มันขั้นสมถะแต่รูปฌานเท่านั้นเลยไปไม่ได้พอถึงธรรมกายเหมือนขึ้นวิปัสสนาตาพระพุทธเาจา้าท่านก็เห็นเป็นจักขฐนทั้งห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแท้เห็นจริงๆจังๆอย่างนั้นหลักเห็นแท้ทีเดียวเห็นชัดๆไม่ได้เห็นด้วยตากายในภพเห็นด้วยตาธรรมกาย รู้ด้วยยานธรรมกายเห็นอย่างนี้แหละเห็นด้วยตาของพระตถาคตเจ้ารู้ด้วยฌานของพระตถาคตเจ้ารู้ด้วยยานของตถาคตเจ้าธรรมกายนั้นเป็นตัวของพระตถาคตเจ้าทีเดียวไม่ใช่อื่นเห็นชัดอย่างนี้นี่แหละเห็นอย่างนี้แหละขอเรียกวิปัสสนาเห็นเป็นจากขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นอนิจจังนะ เห็นอย่างไรเห็นตั้งแต่กายมนุษย์เถิดกายมนุษย์เกิดไม่อยู่ที่เกิดไปเรื่อยๆเกิดลิชิตเหมือนไปจุดอยู่มีไส้มีน้ำมันมีตะเกียนจุดมันก็ลุกโผน่เราเข้าใจว่าปดวงนั้นเป็นอย่างนั้นแหละไอ้กายมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ตาธรรมกายไม่เห็นอย่างนั้นเห็นไปเก่าหมดไปไฟใหม่เดินเรื่อยขึ้นมา ไฟเก่าหมดไปไฟใหม่เดินเรื่อยขึ้นมาแล้วก็เอามือคำดูข้างบนก็รู้ร้อนวูบๆไปก็ไฟใหม่เกิดเรื่อยกายมนุษย์นี้ก็เช่นเดียวกันไอ้เก่าตายไปให้ใหม่เกิดเรื่อยหนุนไม่ได้หยุดเหมือนไฟเหมือนดวงไฟอย่างนั้นแหละไม่ขาดสายมันเกิดหนุนอย่างนั้นนั่นเห็นขนาดนั้นเห็นเกิดเห็นตายเรื่อย เกิดแล้วก็ตายไปเกิดแล้วก็ตายไปไม่มีหยุดละเหมือนกันหมดทั้งโลกเห็นทีเดียวว่ามีจะเกิดกับดับอย่างปิณติสมุดยธรรมังสัพพันตังเโราธรรมังสิ่งทั้งตวงมีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมมีความเกิดเสมอสิ่งทั้งตววมีเกิดเสมอมีความดับเสมอมีเกิดกับดับสองอย่างเท่านั้นหมดทั้งสะโนโลก เห็นด้วยตาธรรมกายรู้ด้วยญาณธรรมกายจริงๆอย่างนี้นี่ทาเป็นวิปัสนาเห็นจริงเห็นจังอย่างนี้หลวงปู่เลียนวราลาโคจิตนั่นแหละเป็นแกนของชีวิตพุโทโธพุโทโธเป็นยอดกรรมฐานการภาวนาพุโทโธในใจบ่อยทำให้ใจเย็นสบายจิตใจเบิกบานผ่องใสพุโทโธ คือเป็นผู้ที่ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกตางแล้วตื่นที่ว่านนี้ก็คือการตื่นจากความหลงไม่หลงไหลไม่เชื่ออะไรที่งมงายเสียงทั้งปวงในโลกนี้ไม่ใช่ว่าจะอานวยความทุกขกเท่านั้นบางทีก็อานวยความสุขให้เหมือนกันดังนั้นคนจึนสับมันแต่บรรดานักปราชญาผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านพิจนารณาเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว ไม่ยั่งยืนถ้าพิจารณาโดยสรุปแล้วก็เป็นทุกข์นั่นแหละมากกว่าความสุขอันความสุขที่ว่างนี้มันเป็นเพียงเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์เท่านั้นไม่ใช่เป็นทุกข์ยั่งยืนแต่อย่างใดเพราะคนเราเกิดมาแล้วที่สุดก็ต้องตายร่างกายนี้เมื่อจิจละไปแล้วก็ต้องแตกสลายออกจากกันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย หลวงพ่อพุทธฐานโยเมื่อเรามาอาศัยหลักและวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนาเมื่อกิจสงบนิ่งลงสว่างรู้ตื่นเบิกบานบางทีมีปิติมีความสุขกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบความรู้สึกรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทําจิตให้เป็นพุทธะเมื่อเราเกิดกายเบาจิตเบา กายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีปิติบางครั้งผลหัวลุกชูชันบางครั้งก็รู้สึกซาบซ่านไปทั่วร่างกายบางทีก็าทาให้รู้สึกตัวสันตัวโยกตัวโครงถ้าผู้มีปิติแรงอาจจะล้มนอนลงไปอย่างสบายก็ได้อันนั้นเป็นอิทธิพลของพุทธะที่บังเกิดขึ้นในจิตแล้วแสดงออกมาทางกายเพราะปิติ และความสุขเกิดที่กายถ้าไม่มีกายเราไม่รู้สึกว่าเรามีสุขมีทุกข์อันนี้คือพระพุทธเจาที่เกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เริ่มต้นแต่มีความรู้สึกสํานึกติดชอบทั่วดีติดจุดนิง่งสวา่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นคุณธรรมที่ทําให้จิตเป็นพุทธะเมื่อท่านผู้ใดสามารถคงไว้ ซึ่งคุณธรรมอันนี้ในช่วงขณะจิตหนึง่งหรือนานๆก็ตามก็ได้ชื่อว่ากลงไว้ซึ่งพระธรรมคือส่งไว้ซึ่งพระธรรมที่ทําจิตให้เป็นพุท ธ, ธะนั่นเองที่นี้ก็ตามธรรมชาติของผู้ที่มีความรู้สึกสํานึกผิดชอบชั่วดีจิตนิ่ ง, งสว่างรู้ตื่นเบิกบานท่านผู้นั้นจะต้องมีเจตนาตั้งมั่นว่า เราจะละความชั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมออันนี้เป็นกิริยาที่มีคุณธรรมที่ทำจิตให้เป็นพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของเราหลวงปู่ล่าเขีมปัดโตเรื่องการภาวนานั้นเป็นของดีแล้วเพราะมีความปิติและพอใจในธรรมที่ปรากฏเป็นอย่างนั้นด้วยอำนาจของปิติธรรมนักภาวนา ก็ต้องเจออย่างนั้นตังทีปรากฏว่าเหาะเหินเดินอากาศหรือเดินจงกรมในอากาศหรือขัดสมาธิในอากาศหรือพลิดคว่มพลิกหงายในอากาศเป็นการกแสดงปฏิหารไปในตัวก็มีสารพัดจะเปลี่ยนไปแต่เมื่อหมดกำลังก็ถอนออกมาเมื่อถอนออกมาแล้วจงพิจารณาว่าทำอันละเอียดถึงเพียงนี้ก็ยังอยู่ใต้อ น, นิ จ, จังความไม่เที่ยง ขอให้น้อมลงอย่างนั้นอย่าสำคัญว่าเป็นตัวตนเราเขาสักบุคคลใดๆทั้งสิ้นเมื่อไม่สำคัญในส่วนนี้จิตก็สูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกในตัวแล้วจงพยายามทำบ่อยๆเถิดและอีกประการหนึ่งให้พิจารณาเห็นอ น, นิจจังพร้อมกับลมหายใจออกเข้าพร้อมทั้งเห็นทุกข์ผิจริงที่ไม่ใช่ตัวตนปลบกลืนกันในขณะเดียว ไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังพร้อมกับลมออกเ้าแม้ศินสมาธิปัญญาที่เรียกว่าใจสิกขาก็รวมพุกันอยู่ณที่นั้นเองจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเองเมื่อเห็นชัดในส่วนนี้พร้อมทั้งชนานาญและเห็นเนื่องๆอยู่ความระอ่าในวัฏสงสารที่เคยหลงมาแล้วก็จะรู้ตามเป็นจริง จะไม่ได้ทยายามออกไปในโลกทั้งปวงเพราะโลกทั้งปวงมีจะเกิดขึ้นแปรปับและมีทุกข์ไม่ใช่ตัวตนดังที่ว่ามาแล้วนั้นจะได้สิ้นความสงสัยในปัญหาของเจ้าตัวที่เคยสร้างขึ้นจะแก้ยากโลกคืออะไรวัตถุภายนอกคืออะไรที่สร้างขึ้นด้วยดินน้ำไฟลมก็ดีหรือความนึกคิดแห่งสุขทุกข์ ภูดเบกขาก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนและลับไปเสมอกันทั้งนั้นเมื่อลูกไม้ของโลกมีเพียงเท่านี้แล้วนั้นเราก็ไม่มีหนทางจะไปสงสัยอะไรอีกมีแต่รู้ตามเป็จริงปฏิบัติตามเป็นจริงพ้นจากความสงสยัยตามเป็นจริงเท่านั้นความดีใจเสียใจในโลกทั้งปวงก็ห้ามเด็ดลงปัญญาก็เกิดขึ้น เหนือความหลงของตนไปซะเรียกว่ารู้เท่าทุกรู้เท่าสังขารแล้วจิตจะโอนไปเองไปโน้มไปในพระนิพพานขื่นกับความหลงของเจ้าตัวแบบเป็นเย็นเท่านั้นเองด้วยเดชะพระพุทธศาสนาพวกเราทั้งหลายจงรู้ตามความเป็นจริงในสังขารทั้งปวงเพราะกับลมออกเข้าในปัจจุบันยิ่งยิ่งขึ้นไปหลุดพ้นจากความหลง ในปัจจุบันตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเทินปัญหาของธรรมแท้ไม่มากที่มันมา ก, กวนเวียนก็เพราะกิเลสของเราส่งอํงนานาจเมื่อปัญญาท่งอํงนานาจแล้วความสงสัยของเราก็หายไปไม่ขบคืนเลยจะว่ารู้แจ้งโลกก็ได้จะว่ารู้แจ้งสังขารก็ได้จะว่ารู้ฐานความหลงของเจ้าตัวก็ได้เรื่องการภาวนานั้นเป็นของดีแล้วเพราะมีความปิติ และพอใจในธรรมที่ปรากฏเป็นอย่างนั้นด้วยอานาจของปิจิธรรมนักภาวนาก็ต้องเจออย่างนั้นบางทีปรากฏว่าเหาะเหินเดินอากาศหรือเดินจงกรมในอากาศหรือขัดสมาธิในอากาศหรือพิควม่มพิกหงายในอากาศเป็นการแสดงปฏิหารไปในตัวก็มีสารพัดก็เป็นไปแต่เมื่อหมดกำลังก็ถอนออกมา เมื่อถอนออกมาแล้วจงพิจารณาว่าทมอันละเอียดถึงเสียงนี้ก็ยังอยู่ใต้อันิจจังความไม่เที่ยงขอให้น้อมลงอย่างนั้นอย่าสําคญว่าเป็นตัวตนเราเขาสัตว์บุคคลใดๆทั้งสิ้นเมื่อไม่สำคัญในส่วนนี้จิต ก, ก็สูงขึ้นไปกว่าเดิมอีกในตัวแล้วจงพยายามทําบ่อยๆเทลินและอีกประการหนึ่งให้พิจารณาเห็นอนิจจัง พร้อมกับลมหายใจออกเข้าพร้อมทั้งเห็นทุกเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนตัวตื่นกันในขณะเดียวไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังพร้อมกับลมออกเข้าแม้สิ่งสมาธิปัญญาที่เรียกว่าใจสิกขาก็รวมผูกกันอยู่ณที่นั่นเองจะบัญยัดหรือไม่บัญยัดก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเองเมื่อเห็นชัดในส่วนนี้พร้อมทั้งชนาญ และเห็นหนึ่งนึงอยู่ความระอาในวัฏสงสารที่เคยลงมาแล้วก็จะรู้ตามเป็นจริงจะได้ไม่ทะยานออกไปในโลกทั้งปวงเพราะโลกทั้งปวงมีแจะเกิดขึ้นและแปรดับและมีทุกข์ไม่ใช่ตัวตนดังที่ว่ามาแล้วนั้นจะได้สิ้นความสงสัยในปัญหาของเจ้าตัวที่เคยสรงขึ้นจะแก้ไม่ยากโลกคืออะไรวัตถุภายนอกคืออะไร ที่สร้างขึ้นด้วยดินน้ำไฟลมก็ดีหรือความนึกคิดแห่งสุขทุกข์ผู้เบกขาก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนไปและดับไปเสมอกันทั้งนั้นเมื่อลูกไม้ของโลกหิเพี่ยงเท่านี้เหล่านั้นเราจะไม่มีหนทางจะไปของฝ่ยอะไรอีนมีแต่รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงพ้นจากความขงส่ยตามเป็นจริงเท่านั้น ความดีใจเสียใจในโลกทั้งปวงก็ห้ามเบรกลงปัญญาก็เกิดขึ้นเหนือความหลงของตนไปซ ะ, ระเรียกว่ารู้เท่าทุกข์รู้เท่าสังขารแล้วจิตก็โอนไปเองไปโน้มไปในพระนิพพานเกินกับความหลงของเจ้าตัวแบบเย็นเย็นเท่านั้นด้วยเดชะพระพุทธศาสนาพวกเราทั้งหลายจงรู้ตามความเป็นจริงในสังขารทั้งปวง พร้อมกับลมออกเข้าในปัจจุบันยิ่ ง, งขึ้นไปหลุดพ้นจากความหลงในปัจจุบันตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเทินปัญหาของธรรมแท้ไม่มากที่มันมากวนเวียนก็พระกิเลสของเราส่งอำนาจเมื่อปัญญาส่งอำนาจแล้วความสงสัยของเราก็หายไปไม่ขบคืนเลยจะว่าเราแจ้งโลกก็ได้จะรู้ว่าแจ้งสังขารก็ได้ จะรู้ทางความหลงของเจ้าตัวก็ได้หลงปู่เทศเทศอรังสีการทำสมาธิคือหาอุบายที่จะจับจิดให้ได้จิต ค, คือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงแต่งสารภัพทุกอย่างนั่นแหละมันไม่อยู่กับที่เมื่อมันไม่อยู่นิ่งก็เดือดร้อนลิ่นลนกระสับกระส่ายของเหล่านั้นล้วนแต่จิตทั้งนั้น มันตรงกายไปในที่ทั้งปวงหมดถ้าเราเห็นโทษก็ปล่อยวางอันที่มันวุ่นวายอยู่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาแล้วปล่อยไปตามเรื่องของมันเมื่อปล่อยวางหมดแล้วมันจะมีอะไรอีกมันก็ยังเหลือแต่จิตเท่านั้นมันก็สงบอยู่ในที่เดียวนั้นมีแต่ความนิ่งอันนั้นคือความรู้หรือทารู้ก็เรียกหรือจะเรียกผู้รู้ก็ได้ นั่นได้ชื่อว่าถึงตัวของเราแล้วรักษาตัวได้แล้วตัวของเราอยู่กับตัวแล้วนั่นแหละจึงเห็นตัวแท้คือธาตุนั่นเองเมื่อเข้าถึงตรงนั้นแล้วทีนี้ใครจะทําอะไรใครจะคิดใครจะพูดอะไรก็ไม่กระทบกระเทือนแล้วใครจะดีชั่วหรือจะผิดก็ไม่กระทบกระเทือนไม่ว่าอะไรหรอกเข้าถึงตรงนั้นแล้ว มันไม่มองดูใครทั้งนั้นเอาเฉพาะแต่ตัวของมันเองหลวงปู่คำดีประภาโสถึงแม้ว่าบุคคลใดจะทำสมาธิได้ดีจะได้รับความสุขขนาดไหนก็ตามหรือจะได้อภินยาเพียงใดก็ตามถ้าใจลักษณะญาณไม่เกิดขึ้นแล้วก็ยังนับว่าเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ยังผิดยังอยู่ในวงเขตที่ผิดใจลัก อนิจจังทุกขังอนัตตานี่จะเป็นเครื่องตัดสินถูกหรือผิดจะเป็นสัมมาสมาธิหรือมิจชาสมาธิเมื่อพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุตดินน้ำลมไฟเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจนเกิดอย่างความรู้พิเศษเมื่อเกิดความรู้พิเศษแล้ว วิปัสสนากิเลสหรือวิปลาสก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อสิ่งใดหรือความรู้ใดเกิดขึ้นก็จะเอาใจรักอานิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องตัดสินการพิจารณาให้ถือเอารู้รูปกายตามแบบเป็นจริงรู้เวทนาตามเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริงให้ยึดถือความรู้นี้เป็นหลักความรู้อย่างอื่นไม่สําคัญ ถึงจะเกิดตะพินยารู้ในเหตุผลต่างๆครั้งแรกๆก็อาจเป็นจริงแต่ถ้าเราถือในสิ่งเหล่านี้ต่อไปก็จะกลายเป็นเรื่องหลอกลวงเราท่านจึงห้ามไม่ให้เอาสิ่งนิ้มิตเป็นเรื่องสำคัญขอให้พวกท่านจงทางกันไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็สามารถปฏิบัติได้เหมือนกันเมื่อตั้งใจทำแล้วจะร้ายผลเสียเลยก็ไม่มีอย่างตำ่ำ ก็เป็นการเพิ่มบุญวาสนาบารมีของเราให้แก่ก้าท่านพ่อดีธรรมทโรการนั่งภาวนานี้ถึงแม้เราจะไม่มีความรู้อะไรเลยก็ให้รู้เพียงว่าลมเข้าเราก็รู้ลมออกเราก็รู้ลมยาวเราก็รู้ลมสั้นเราก็รู้ลมสบายเราก็รู้ หรือลมไม่สบายเราก็รู้เท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้ส่วนสัญญาในเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาในใจของเรานั้นก็ให้ปัดทิ้งเสียทั้งดีและชั่วทั้งอดีตอนาคตไม่ให้นามายุ่งเกี่ยวและก็ไม่ต้องไปแก้ไขเมื่อสัญญาผ่านเข้ามาก็ปล่อยให้ผ่านไปตามเรื่องของมันความรู้ของเราก็ให้เฉยอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียว ข้อที่ว่าแกเราไปอย่างนั้นไปอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ตัวจริงเป็นเพียงแต่สัญญามันพาไปเท่านั้นสัญญานี้เปรียบเหมือนกับเงาส่วนตัวจริงของมันนั้นก็คือจิตตัางหาถ้ากายของเราเฉยไม่มีอาการเคลื่อนไหวไปมาแล้วเงาของเราจะเคลื่อนไหวไปได้อย่างไรเพราะกายของเรามันไหวไม่อยู่นิ่งเงาของเรา จึงไหวไปด้วยและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะไปจับเอาเงามาอย่างไรเงานี้จะจับมันก็ยากจะละมันก็ยากจะตั้งให้เที่ยงก็ยากความรู้ที่เป็นตัวปัจจุบันนั่นแหละคือตัวจริงส่วนความรู้ที่เป็นไปตามสัญญานั้นก็คือเงาความรู้ตัวจริงนั้นย่อมเป็นตัวที่อยู่คงที่ไม่มีอาการยืนเดินไปมา ส่วนจิตก็คือตัวรู้ซึ่งไม่มีอาการไปอาการมาไม่มีไปข้างหน้าไม่มีมาข้างหลังมันก็สงบเฉยอยู่และเมื่อตัวจิตอราบเรียบอยู่ในปกติไม่มีความคิดนึกวอกแวกไปอย่างนี้ตัวเราก็ย่อมสบายคือจิตไม่มีเงาถ้าจิตของเราไม่เที่ยงไม่แน่นอนไหวตัวไปมาอยู่ก็ย่อมจะเกิดสัญญาขึ้นมาและเมื่อสัญญาเกิดขึ้น มันก็ฉายแสงออกมาแล้วเราก็ไหลไปตามมันจะไปเหนียวดึงเข้ามาการที่เราไปตามเข้ามานั่นแหละมันเสียใช้ไม่ได้จึงให้ทำความเข้าใจเสียใหม่ว่าตัวรู้นั้นไม่เป็นลายดอกแต่เงาสัญญานันแหละสาคัญเราจะมุ่งทำให้เหงามันดีขึ้นก็ไม่ได้เช่นเงามันดำเราจะเอากระบื่ไปขัดฟอกจนตาย มันก็ไม่หายดำเพราะเงามันไม่มีตัวตนฉะนั้นสัญญาความนึกคิดต่างๆเราจะทำให้ดีเลวย่อมได้เพราะมันเป็นเพียงหุ่นหลอกเราเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงตัดแสดงว่าใครไม่รู้จักตัวไม่รู้จักกายไม่รู้จักใจไม่รู้จักเงาของตนเองนั่นคืออวิชชาคนที่สำคัญว่าจิตเป็นตน ตนเป็นจิตจิตเป็นสัญญาปนเปนกันไปหมดเช่นนี้เขาเรียกว่าคนหลงคือเหมือนกับคนที่หลงป่าการหลงป่านั้นย่อมจะต้องลำบากทุกๆอย่างทั้งอันตรายในสัตวปา่าทั้งลำบากในเรื่องอาหารการกินและการหลับการนอนจะมองไปทางไหนก็หาทางออกไม่พบแต่ที่เราหลงโลกนี่ก็ยิ่งจะร้ายไปกว่าหลงป่าทั้งหลายเท่า เพราะจะไม่รู้จักกลางวันกลางคืนและไม่ได้พบกับความสว่างสวัยเลยเพราะดวงจิตมันมืดไปด้วยอวิชชาฉะนั้นการที่เรามาทำความสงบอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เรื่องราวต่างๆลดน้อยลงเมื่อเรื่องราวต่างๆลดน้อยลงไปจิตก็จะมีความสงบเมื่อจิตรับความสงบก็จะค่อยๆสว่างขึ้นในตัวเกิดวิชาเป็นความรู้ึ้น ถ้าความยุ่งยากมากขึ้นความรู้ก็จะเกิดขึ้นได้นั่นเป็นความมืดดวงจิตที่เกือกลนอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโภทพพะในธรรมารมณ์นั่นจะเหมือนกับเรือที่ถูกลมพายุอันพัดมาจากข้างหลังข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาทั้งแปดด้านแปดทิศมันก็จะไม่ทาให้เรือนั้นตั้งลาตรงอยู่ได้ นีแต่จะทำให้เรือจมลงจมลงไฟที่มาใช้สอยก็ดับหมดด้วยอำนาจความแรงของกระแสะลมที่พัดมานั้นสัญญานี้เหมือนกับปลาลอกพื้นที่วิ่งไปมาในมหาสมุทรใจนั้นก็เปรียบเหมือนกับปลาที่ดำขุดดำว่าอยู่ในน้ำธรรมดาของปลาย่อมเห็นน้ำเป็นของสนุกเพลิดเพลินชั้นใดบุคคลผู้หนาแน่นไปด้วยอาวิชา ก็ย่อมเห็นเรื่องยุ่งๆเป็นของพเพลิเพลินเป็นของสนุกเหมือนกับกลาที่เห็นขึ้นในน้านเค็มเป็นของสนุกสนานสำหรับตัวมันฉันนั้นตามใดที่เราทำความสงบให้เรื่องต่างๆบรรเทาเบาบางไปจากใจได้ก็ย่อมทาอารมณ์ของเราให้เซนไปในกรรมฐานคือฝังแต่พุท ธ, ธานุสติเป็นเรื่องตนจนถึงสังขานุสติ เป็นปริโยสารไว้ในจิตใจเมื่อเป็นไปดังนี้ก็จะถ่ายอารมณ์ที่ชั่วให้หมดไปจากใจได้เหมือนกับเราถ่ายของที่ไม่มีประโยชน์ออกจากเรือและนำของที่มีประโยชน์เข้ามาใส่แทนถึงเรือนั้นจะหนักก็ตามแต่ใจของเราก็เบาเพราะเรื่องบุญกุศลเป็นของเบาเมื่อใจของเราเบาอย่างนี้ภาระทั้งหลายก็น้อยลงสัญญาต่าง ก็ไม่มีนิวรณก็ไม่ปรากฏดวงกิจก็จะเข้าไปสู่กรรมฐานได้ทันทีหลวงพ่อปานเริ่มต้นให้พิจารณาขันห้าก่อนโดยพิจารณาว่าขันห้านี้ไม่เทียมเป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านสอนให้รู้เรื่องขันห้าจนละเอียดแล้วสั่งให้พิจารณาไปท่านบอกว่าการพิจารณาอย่างนี้ ถ้าพิจารณาได้ตลอดไปโดยที่จิตไม่ทรายไปสู่อารมณ์อื่นท่านให้พิจารณาเรื่อยไปท่านบอกว่าพิจารณาได้ตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนยิ่งดีแต่ท่านไม่ได้บอกว่าเป็นวิปัสสนาญาณเพียงแต่ท่านบอกว่าก่อนภาวนาควรพิจารณาขันธ์เสียก่อนและไม่ต้องรีบภาวนาถ้าใครพิจารณาจนเห็นว่า ร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเราไม่มีขันห้าขันห้าไม่มีในเราอัตภาพตัวตนเป็นเพียงภาพสี่ประชุมเป็นล่างเป็นที่อาศัยชั่วพาของจิตจนละความห่วงใยในขันห้าเสียได้โดยที่ไม่ได้ภาวนาเลยก็ยิ่งดีต่อเมื่อจิตกระส่ายพิจารณาไม่ได้ดีตัานให้ภาวนาโดยสั้งอารมณ์ดังต่อไปนี้ กำหนดลมหายใจไว้สามฐานคือที่จมูกอกและศูนย์เหนือสะดือลมจะกระทบสามฐานนี้ให้กำหนดรู้ทั้งสามฐานเพื่อลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาพร้อมกันนั้นท่านก็ให้ภาวนาว่าพุทธภาวนาเมื่อสูดลมหายใจเข้าโธภาวนาเมื่อหายใจออกแล้วท่านให้นึกถึงภาพพระพุทธ ที่ผู้ปฏิบัติเคารพมากจะเป็นพระพุทธรูปวัดใดองค์ใดก็ได้ตามใจสมัครท่านสอนดังนี้ผู้เขียนเรียนกับท่านไม่เคยรู้เลยว่าตอนแรกท่านให้เจริญวิปัสนาญาณคิดว่าเป็นสมถะตอนที่ภาวนาคิดว่าเป็นพุทธานุสติล้วนต่อมาถึงได้ทราบว่าท่านให้กรรมฐานสี่อย่างรวมกันคือตอนพิจารณาขันห้า เป็นวิปัสนาญาณตอนกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอนาปานุสติกามฐานตอนภาวนาเป็นพุทธานุสติกามฐานตอนเพ่งรูปพัดเป็นกสินท่านมีความฉลาดสอนรวมภาวเดียวสี่อย่างกำลังพุทธานุสติมีเพียงอุปชาระฌานอานาปานและกะสินที่กำลังถึงฌานตีรู้สึกว่าท่านฉลาดสอน ท่านสอนเผื่อเนียอไว้พร้อมมูลหากพบท่านที่มีอุปนิสัยสุขขวิปัสโกเข้าท่านทั้งหลายนั้นก็พอใจในวิปัสนาญาณท่านก็พากันได้มรรคผลไปตามๆกันหลวงพ่อฤาษีลิงดำทำไมต้องเจริญกรรมฐานคนถึงแม้ว่าจะทำบุญหนักแต่ว่าเวลาจะตายบังเอิญอิท ไปนึกถึงอกุศลเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งอกุศลก็จะผ่านลงไปอบายภูมิก่อนฉะนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องเจริญสมาธิคำว่าสมาธินี้แปลว่าการตั้งใจอย่างที่ท่านตั้งหลายทำบุญกันนี้ก็อาจจะบอกว่าอุ้ยหลวงพ่อมาทีไรกันก็ถวายสังฆทานทุกทีการถวายสังฆทานแต่ละครั้ง มีสิทธิไปเกิดบนสวรรค์ชั้นที่ห้าเพรเรียกว่านิตรมานแล้วดีหรือถ้าไม่ไปก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ดีบรรดาญาโยมพุทธะบริษัทธเราอาจจะเืิดได้ตามบาลีว่าเจตกระจรังจิตตังจิดตดวงเดียวเที่ยวไปจิตน่ยมันรับอารมณ์เดียวเวลาที่เรารักคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักเขาจะทําเลวขนาดไหนก็ตามเราก็ยังรัก ถึงเวลาโกรธขึ้นมาทำดีขนาดไหน ม, มันก็เกลียดใช่ไหมไม่นึกถึงความดีของเขาก็รวมความว่าจิตมันรับอารมณ์เฉพาะฉะนั้นถ้าหากว่าถ้าจิตออกจากล่างถ้าบาังเอิญไปพบอกุศลเข้าก็ไปอวัยภูมได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกจิตให้มีอารมณ์ทรงตัวอันดับแรกก็กาหนดรู้จับลมหายใจเข้าออก หายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทแต่ว่าคําภาวนานี้ไม่จํากัดนะจะนึกพุทธโธก็ได้นโมพุท ธ, ธะก็ได้หรืออะไรก็ได้นึ่อถึงพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วก็ภาวนาเป็นเครื่องโยงใจให้จิตมีงานจิตมีงานในด้านบุญและบาปขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้าออกจิตไม่คิดถึงเรื่องอื่น เวลานั้นจิตเป็นสมาธิจิตว่างจากกิเลสขณะใดจิตรู้คำภาวนาอยู่อารมณ์อื่นไม่เข้ามาแทรกเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสมีความดีฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้ถือว่าการเจริญสมาธิมีความจําเป็นตางที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจงอย่านึกถึงความทั่วที่ผ่านมาแล้วอะไรก็ตามที่มันเป็นบาป อย่านึกถึงมันคิดอย่างเดียวด้านความดีหลวงปู่ดูพรหมปันโนการที่เราได้มาบำเพ็ญสมาธิได้ชื่อว่าเรากำลังทำจิตได้ทา ง, งานเพื่อให้เกิดความสงบเพราะจิตที่สงบเท่านั้นจึงจะเป็นการพักจิตสอบจิตคนเราทุกวันนี้อาบน้ำชำระร่างกายมาละ3ามเวลาแต่ว่าไม่ได้ฟอกจิตของตนเองเลย เรารับประทานอาหารหวันละหลายมือ้อแต่ว่าเราไม่ได้ให้อาหารแก่จิตเลยเมื่อจิตซึ่งปราศจากความสงบความสมบูรณ์พูลสุขเข้าไปสะสมอยู่ในตัวจิตนั้นจะไปเกิดเป็นอสุวะเป็นกิเลสซึ่งหมักหมมพอหมักหมมแล้วก็จะเกิดเป็นทิต่อเจ้าของเขาเหล่านั้นจะหาหนทางหรือหาตนเองไม่พบเนื่องจากว่าไม่ได้เข้ามาสู่การปฏิบัติ ในทางพระพุทธศาสนาเพราะการปฏิบัติภาวนาเป็นวิธีทางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินมาเราขึ้นได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ควรกระทำตามประพฤทิกิจแนวตามที่เรากล่าวกันว่าเรานับถือบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นการนับถือบูชาคือการยอมรับและนำมาปฏิบัติตามพระพุทธองค์ ส่งสำเร็จพัฒมาสัมโพธิญาณได้ด้วยวิถีแห่งการบำเพ็ญสมาธิเพราะเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเกิดกำลังของจิตขึ้นเมื่อเราวิเคราะห์ไตรตรองได้แล้วเราก็มีปัญญารู้ตามว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นถูกโดยจิตใจของเราเองหรือเรียกว่าเป็นคนที่รู้จริงไม่ได้รู้ตามทฤษฎีคนที่รู้ตามทฤษฎีนั้นโอกาสที่จะทาให้จิตใจของตนเอง เพื่อที่จะค้นคว้าเข้าไปหาจิตของตนเองนั้นเป็นไปได้ยากการที่เราบำเพ็ญภาวนาและกลา่าวไตสารนักมนั้นเมื่อจิตของเราอย่างไม่สงบนิ่งก็ให้กำหนดให้จิตเป็นตัวหนังสือปรากฏขึ้นในห้วงใจของเราที่จิตของเราเหมือนกับเรากำลังเขียนหนังสือลงบนกระดานดำหรือเขียนหนังสือฉายลงบนจอภาพพอเราภาวนาว่า พุทธังสารานกขสามีก็ให้เขียนเป็นตัวหนังสือไปตามนั้นทั้ง3อย่างพอจิตของเราชำนานก็จะทำได้ดีเนื่องจากว่าเราใช้จิตของเราทำ ง, งานถึงสองอย่างคือ 1. การบริกรรมในใจ 2. การกำหนดตัวหนังสือหรือการกำหนดกสิลคือการเพลงเมื่อจิตมีงานทำสองอย่างการที่จิตจะสาย ก็จะลดน้อยลงจิตจะมุ่งมั่นอยู่ ก, กับการภาวนาอย่างสม่ำเสมอภาวนาไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไม่ต้องรีบให้ถือมาทีิมาปฏิปทาถือว่าตอนแรกไม่ต้องนั่งนานทางนี้พระจิตยัยงไม่คุ้นเคยก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาคือการปวดเมื่อยตามร่างกายรแรกๆรับก็อย่าไปฝืนนั่งพอจิตของเราเรื่องมีกาลังขึ้น เราก็ไปค่อยเพิ่มทีละนิดเพื่อให้จิตคุ้นอยู่กับธรรมภาวนาเมื่อจิตสงบแล้วมันจะมีตัวทีความสงบนั้นแสดงผลอยู่ที่ใจคือใจหรือจิตของเราจะไม่กุ้งซ่านจะมีความสบายกายเบาเนื้อเบาตัวเบาจิตเบาใจเนื่องจากจิตกับกายกําลังแยกออกจากกันการที่จิตกับกายเริ่มแยกออกจากกันนั้น เกิดจากกิจ ท, ที่เป็นสมาธิในขั้นยาขั้นกลางขั้นละเอียดเป็นลําดับไม่มีวิธีการใดเลยในทางพระพุทธศาสนาที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการบําเพ็ญสมาธิเพราะเมื่อมีสมาธิแล้วสิ่งที่ติดตามมาก็คือปัญญาเรามีปัญญาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนื่องจาก ว, าว่าเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่เราไม่ได้บําเพ็ญสมาธิ เข้ามาอยู่ในสายตาของเราเข้ามาอยู่ในอารมณ์ของเราตลอดเมื่อจิตของเราได้รับทาสมาธิแล้วจิตมีกำลังแล้วก็เริ่มที่จะพิจารณาความเป็นจรงิงความเป็นจริงที่สแสดงออกเมื่อสแสดงออกมาแล้วเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือวิธีทางหรือกระบวนการที่ทาให้จิตเกิดวิปัสสนาวิปัสสนาคือปัญญาปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมที่จะไปคุมศินหรือคุมสมาธิถือว่าเราจะรักษาสินทําสมาธิโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับเพราะปัญญาเราเริ่มจะรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นคุณเหมือนกับเราต้องรับประทานอาหารหรือเราจะต้องหายใจพอสิ่งเหล่านี้เป็นคุณเราก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งประจำตัวของเราการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มาพบพระพุทธศาสนาและได้มาปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นมากพระบารมีของผู้ที่จะศึกษามาปฏิบัติภาวานานั้นเป็นบารมีขั้นสุดท้ายในการที่จะตัดพบตัดชาติการที่จะตัดพบตัดชาติได้บารมีของท่านผู้นั้นจะต้องเข้มข้นจึงสามารถจะตัดสินได้เลยว่าบุคคล น, นั้นมีบารมีเข้มข้นหรือยังถ้าเราเริ่มที่จะพอใจ ในการบำเพ็ญสมาธิปฏิบัติภาวนานั่นแหละขอให้รู้ว่าบารมีของเรากำลังบังเกิดขึ้นและกำลังจะดำเนินไปสู่ทางที่ดีงามที่สุดหลวงปู่บุตราถาวโรคนเขาไม่เคยเห็นพุทธนิมิตธรรมมิมิตสังขนิมิ ต, คมตแค่กระสินสิตเขาก็เห็นแต่ภายนอกกรรมฐานสี่สิเขาก็เห็นแต่ภายนอก เห็นแต่ใบลานในกระดาษโน้นมันยังมีอยู่ในจิตนี้อีกสี่สิบภายนอกสี่สิบภายในสี่สิบรวมแปดสิบมันจึงจะลงกันได้กับมาฐานสี่สิบมันอยู่ตรงไหนไปอ้างใบลานอ้างกระดาษโน้นมันมีแต่ข้างนอกมันไม่มีข้างในมันก็ยังไม่ลงกันหรอกเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันถ้าไปพูดในสนามหลวงอย่างนี้เขาไม่ให้กินน้ำแข็งเขาหรอก เขาไล่นีก็เท่านั้นแหละก็อ่านธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานภายในก็ดีภายนอกก็ดีให้รู้ว่าเกิดขึ้นให้รู้ว่าตั้งอยู่ให้รู้ว่าเสื่อมไปนี่เป็นกรรมฐานถ้าไมจึงอ้างแต่ภายนอกละ่ะก็ภายในมันมีอยู่แล้วนี่พุทธภายนอกก็มีพุทธภายในก็มีทาไมไม่อ้างเป็นยมกเป็นคู่คู่ละ่ะ เพราะไม่รู้ภาษาใจรู้แต่ภาษาหนังสือก็เถียงกันตายโหงทุกประเทศนั่นหละพูดกับคนพูดยากพูดกับธรรมะง่ายกว่าเอาภาษาคนไปข้ามภาษาธรรมตกนรกเอเวจีเวลาหนึ่งร้อยครั้งหนึ่งนครั้งไปค้านธรรมะพระพุทธเจ้าได้หรือมันอวดดีว่าเรามีธรรมะมันอวดรู้กว่าพุทธเจ้านั่นแหละมันไปเอาเวจีแล้วหละ กายกรรมยังอยู่วจีกรรมมนกกรรมหนะักไปแล้วหลวงพ่อชาเรื่องนี้สัมพันธ์มากอย่าพยายามที่จะเอาอะไรในการปฏิบัติความอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้นจะเป็นความอยากที่ควางกั้นท่านก็ได้จะเร่งความเพียรทั้งกลางคืนกลางวันก็ได้แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยังประกอบด้วยความที่ อยากจะบรรลุเห็นแจ้งแล้วท่านจะพบความสงบไม่ได้เลยแรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและความกระวนกระวายใจไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัตินานเท่าใดหรือนานสักเพียงใดปัญญาที่แท้จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นดังนั้นจงเพียงละความอยากเสียจงพ่อาดูจิตและกายอย่างมีสติแต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไร อยากคิดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้งหลวงปู่โตพรรมังสีผู้ที่ปฏิบัติที่ปัฒนากรรมฐานจนมีสมาธิแ น, แน่วแน่เมื่อจิตนิ่งก็รู้ตนเริ่มพิจรนารณาตนรู้ตนเองได้ปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญานี้เรียกว่าปัญญาภายในจากจิตวิญญาณซึ่งเราจะใช้ปัญญานี้ได้แน่นอน เมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นในชีวิตตลอดระยะเวลาทัานยาวนานข้างหน้าที่คือประโยชน์ของการสุดจิตแล้วคุณของสมาธิยังเป็นพลังต้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้อาล่าวคือการบำเพ็ญจิตจนจิตนิ่งสงบแล้วระบบต่างๆต่างปราสาทจะได้รับการพักผ่อนเป็นการปรับธาตุในกายให้เกิดพลังจิตเข้มข้ น, นกายเนื้อ ก็จะ แ, แข็งแรงกระชุ่มกระชวยด้วยโลหิตเนี้ร่างกายจะหมุนเวียนระดวกขึ้นความตึงเครียดตามร่างกายและประสาทต่างๆจะผ่อนกลายเป็นปกติโรคต่างๆจะลดน้อยลงโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหายป่วยได้ด้วยการสุดจิตและเดินจงกรมหลวงพ่อเฟืองโชติโกเมื่อทาจิตถึงตอนนี้ จะค่อยเกิดวิชาความรู้ขึ้นสามลำดับกายของเราจะเบาเหมือนปุ๋ยนุ่นแต่ก็จะเอื้ออิ่นนิ่มนวลวิเวสกสงัดได้รับการสุกกายสบายติดเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องการวิชาความรู้แล้วให้ทำอย่างนี้จงกว่าจะทำนานในการเข้าในการออกในการตั้งอยู่เมื่อทำได้อย่างนี้แล้วนินิตของลม คือแสงสว่างเผาวผาเป็นก้อนเป็นกลุ่มเหล่านั้นจะทำเมื่อไรก็เกิดได้เมื่อต้องการวิชาความรู้ต่างๆก็ให้ทาจิตนิ่งวาดอารมณ์ทั้งหมดให้เหลือแต่ความสว่างความว่างอย่างเดียวเมื่อประสงค์สิ่งใดในส่วนวิชาความรู้ภายในและภายนอกตนเองและผู้อื่นก็ให้นึกถึงใ น, ในใจครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็จะเกิดความรู้หรือนิมิต เป็นภาพปรากฏขึ้นทันทีเรียกว่ามนูภาพถ้าจะให้ดีและสำนานในสิ่งเหล่านี้ให้ศึกษากับท่านผู้เคยปฏิบัติในทางนี้จะดีมากเพราะวิชาตอนนี้เป็นวิชาที่เกิดขึ้นจากสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นวิชาในเรื่องสมาธินั้นมีอยู่สองแผนคือเป็นไปกับด้วยโลกีอย่างหนึ่งเป็นไปกับด้วยโลกีอย่างหนึ่ง เป็นไปกับด้วยกุตระอย่างหนึ่งวิชาโลกีคือติดความรู้ความเห็นของตนเองนี้หนึ่งติดสิ่งทั้งหลายที่มาปรากฏให้เรารู้เราเห็นอย่างนี้อย่างหนึ่งวิชาก็ดีสิ่งที่ให้เรารู้เราเห็นด้วยอำนาจแห่งวิชาก็ดีเป็นของจริงและของไม่จริงเจือฝนอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นแต่ของจริงในที่นี้เป็นส่วนสังขารทำทั้งสิ้น ขึ่นชื่อว่าสังขารแล้วย่อมไม่เที่ยงไม่มั่นคงถาวรฉะนั้นเมื่อต้องการโลกุตระต่อไปให้รวมสิ่งที่เรารู้เราเห็นทั้งหมดเข้ามาเป็นจุดอันเดียวคือเอกัคตารลมให้เห็นเป็นสภาพอันเดียวกันทั้งหมดเอวิชาความรู้ทั้งหมดเหล่านั้นเข้ามารวมอยู่ในจุดอันนั้นจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายนี้เกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไปเป็นธรรมดาแล้วอย่างยึดถือในสิ่งที่รู้ที่เห็นมาเป็นของตนอย่ายึดเอาความรู้ความเห็นที่เกิดจากตนมาเป็นของตนให้ปล่อยวางไปเสียตามสภาพถ้าไปยึดอารมณ์ก็เท่ากับยึดทุกข์ยึดความรู้ของตนจะเกิดเป็นเหตุเป็นทุกข์คือสมุทยัยฉะนั้นจิตที่นิ่งเป็นสมาธิแล้วเกิดวิชชาวิชชานั้นเป็นมัจ สิ่งที่ให้เรารู้ต่างๆที่ผ่านไปผ่านมาเป็นทุกข์จิตเราอยากเข้าไปยึดเอาวิชาอยากเข้าไปยึดเอาอารมณ์ที่มาแสดงให้เรารู้ปล่อยวางตามสภาพทําจิตให้สบายไม่ยึดติดไม่กลมมุิจิตของตนเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ายังกมมุิตนเองอยู่ตราบใดก็เป็นอวิชชาอยู่ตราบนั้นเมื่อรู้ได้โดยอาการยอย่างนี้ ก็จะกลายเป็นโล ก, กุตระขึ้นให้ตนจะเป็นบุญกุศลอย่างประเสริฐสูงสุดในฐานะที่เป็นมนุษย์พุทธโพลิสัตของพระพุทธเจ้าหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนการเรียนทมก็เพื่อตัวของเราเองเรามาคิดถึงตัวของเราว่าในชั้นปฐมวัยได้ทำอะไรไปบ้างศึกษาหาความรู้ไปตามวัยเสียก่อนแต่ว่าเมื่อเข้ามาัธยิวัยแล้ว ก็ต้องทำงานเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวให้เป็นไปล่วงเข้าไปสองวัยทางโลกก็ต้องเป็นอย่างนี้โลกกระทำคิดจับใจร่วงเข้าไปสองวัยก็จะต้องเป็นไปตามวัยของมันอย่างเสียทีเดียวยังมีส่วนดีอยู่บ้างได้ศึกษามีความรู้มีเงินทองข้าวของที่จะช่วยตัวเองดีไม่ขัดข้องในการที่จะอยู่ เป็นที่พึ่งแก่คนข้างเคียงได้แล้วเราก็เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนฉลาดรู้เท่าทาันโลกและเราก็มีสมบัติทรัพย์สานเยอะแยะเพราเราจะอยู่ไหนตายแล้วเราจะอยู่ที่ไหนพ่อเราจะอยู่ที่ไหนแม่เราจะอยู่ที่ไหนไม่รู้ก็แหละคนที่เขารู้ก็มีได้ยินหรือได้ฟังกันมาเราก็มีเหลือไว้เดียวเรียกว่า ตัดฉิมไวัยวยสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่แก้ตัวในวัยสุดท้ายแล้วก็จะไปแก้ตัวที่ไหนอีกเรื่องวิชาพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาคืออะไรคำสอนที่มีเหตุผลคำสอนจากใครจากพระสัพพัญญูพระสัพพัญญูคือใครของใครก็ของใครไม่สิ้นสุดมีอยู่เรื่อยไปจะไปหาที่ไหนนั่นไงจากสถานที่อินเดีย ที่โพพุท ธ, ธคยาช่วยไปหามามันเรียกร้องเองนะที่ท่านจะอาศัยนั่นน่ะพรุกขมูลอาศัยโขนไม้เพราะเรียกลุกขมูลเพื่อจะพิจารณาโตอีโตโ ต, โตอะไรก็คือสติปทานสี่สมประฐานสี่อิทธิบาทสี่อินทรัพห้าพละห้าโทษงเกตมักมีองแตดนี่โต สติปัฏฐานโตโ ต, โตมัคโคต่อมาใครเคยเห็นพระพุทธเจ้าไหมที่พระชนมายุอยู่คร้อยแปดสิบแล้วสาวกทั้งหลายเคยเห็นไหมมีใครเคยเห็นบ้างแต่ปู่ย่าตาทั่วทั้งหลายพ่หนงท่านเคยเห็นหรือเปล่าเห็นหรือรู้ชะไหนเกิดมาเรามีได้พบพระผู้นิราศเกี่ยวกับทุกข์เกี่ยวกับสุขพระธรรมเราก็ไม่เคยเห็นเห็นแต่ในสมุน คือเขียนเอาไว้พระสงฆ์ยังมีอยู่พระสงฆ์นิสิเป็นหลักเป็นหลักยืนต่างๆต้องมีแน่พระพุทธเจ้ามีแน่พระธรรมเจ้าพระสงฆ์ก็เคยพบเห็นเคยเรียนเคยฟังมาจากพระพุทธเจ้าต้องมีแน่เหตุใดพระองค์ได้สาวกเอกตั้งแปดสิบแล้วชั้นเอกนี่หลักชั้นโถนี่หลักชั้นสีนี่หลักมีหลายชั้น ยิ่งเวลานี้ปรากฏยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นจึงนิยมบวชกันมาเรื่องมาบวชกันเรื่อยมาเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาทีนี้มาถึงวัยการก็มีอะไรละ่ะก็มีสมถะและวิปัสสนาธรรมฐานเรื่องเราจะเรียนสมถะก็ได้จะเราวิปัสสนาก็ได้ตามใจแต่การเรียนของท่านจะตามใจไม่ได้ที่มาเรียนอยากให้มนุษย์สมบัต เก็เรียนสมถะเรื่อยไปจะได้สมบัติหรือท่านไม่ต้องการมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็เรียนวิปัสสนาไปให้ปัญญาเกิดปัญญาอะไรปัญญาที่รู้ว่าอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนาตตาอะไรก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนาตตานี่ของใครที่เป็นตัวเป็นตนนี่ของใครของโลก ตัวเขาเองก็เป็นของไม่เที่ยงตัวเขาเองก็เป็นทุกข์อยู่แล้วตัวเขาเองก็เป็นอนัตตาความเป็นสัจจะไม่เที่ยงความเป็นสัจจะไม่เที่ยงความเป็นสัจจะเป็นอนัตตาเคยประสบพบมาแล้วอยา่าไปหลงสมมติอยา่าไปหลงให้มากหลงไปเท่าไหร่ห่างจากพระนิพพานเท่านั้นเท่าที่เราหลงอยู่อย่างนี้ทำได้ไหม เมื่อไม่อยากให้เป็นไปต่างๆให้ตองดูเป็นไปตามความนึกคิดเป็นไปตามพบต่างชาก็ข้อความอันเดียวกันดับเลิกจะไม่มีอีกต่อไปเพื่อไม่เทีย่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาเมื่อเราทำอะไรก็เป็นอัน ร, รมไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนี่ต้องการเห็นอย่างนี้จึงจะพบวิชาเรื่องอนิจจตาทุกขตา อนุตาตาตามสมเด็จพระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าที่ทรงตั้งพระธรรมวินัยยังอยู่เขานิมนต์ที่ไหนใกล้ไกลพระองค์เสด็จไปทั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงตั้งเข็มของท่านไว้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้มันจริงจะเป็นอย่างนั้นได้ถูกต้องหลวงพ่อคงจกักตัมโนเมื่อนักปฏิบัติฝึกจิตจนมีกําลังของสมาธิปี สติบริบูรณ์ในทุกสฐานการจะเข้ากรรมฐานเป็นเวลานานๆา น, นั้นสะบาสนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จเจริญภาวนามาอย่างํำนานมากพอสมควรเช่นการอธิษฐานอยู่ในอริยาบทเดียวเป็นเวลานานคือ1ถึงสี่ชั่วโมงบ้าง 12-24 ถึงชั่วโมงบ้าง1วันบ้างสองวันสามวันสี่วัน5้าถึงเวันบ้าง ทั้งนี้ตามแต่กำลังของบุคคลการอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเป็นเวลาน้นๆนั้นก็เพื่อจะให้เห็นเวทนาต่างๆที่เกิดแก่ร่างกายถึงจิตใจให้ชัดเจนเมื่อเห็นแล้วพึงยกจิตเข้าสู่กายทัตน์สติพิจารณาร่างกายว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาแล้วเวทนาอันเกิดจากร่างกายที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจึงไม่อาจเป็นเราหรือของของเราด้วยบุคคลใดเมื่อจเจริญกายก็ตักสติ ด, ดีแล้วย่อมจเจริญด้วยประโยชน์มหาศาลหลวงกุฏิยะจุนโทการค้นคว้าพินิจพิจารณานี้เป็นสิ่งสาคัญ ถ้าเราไปเมาอยู่ในสมาธิมันก็ได้แค่สมาธิเท่านั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ล่วงไปอย่างนั้นแล้วไม่ได้ผลที่จะได้รับรู้สึกว่าน้อยไปเพราะฉะนั้นการค้นคว้านี้เป็นหลักสําคัญที่สุดของนักปฏิบัติถ้าใครยังไม่เข้าเขตในการค้นคว้าแล้วสมาธิตัวนั้นอย่างพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งตนเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ถ้าได้ค้นคว้าพินิษพิจารณาได้มาเห็นชัดเห็นโทษตัวผู้ค้นนี้ตับใดแล้วก็พึ่งตัวเองได้แล้วผู้นั้นชัดขึ้นอย่างนั้นแล้วพึ่งตัวเองได้สันทิติกโกเห็นเองเห็นชัดเลยใครจะว่าอย่างไรก็ชัดเพราะฉะนั้นนี่กางบำเพ็ญก็ต้องอาศัยอย่างนี้ค้นคว้าอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ให้มันเจนชัด หลวงพ่อเทียนคนทำสมถะคนนั้นโกรธเร็วโกรธแล้วหนีไม่ได้ต้องบังคับมันไม่ให้โกรธแต่มันหนักใจพอดีหนักใจแล้วก็เข้าห้องเลยเข้าห้องอยู่คนเดียวไม่ต้องมองใครแล้วนี่มันผิดกันอย่างนั้นิภิัสนาไม่ต้องเข้าห้องเคาจะพูดอย่างไรความเร็วของสติมันจะเข้าไปตัวสัญญาตัวนั้น มันจะเข้ามาเองจึงว่าสัญญาอันนี้ไม่ใช่สัญญาการเรียนสัญญาเกิดมาจากกฎของธรรมชาติอันนี้เป็นวิปัสสนาหลวงพ่อจะเปรียบให้ฟังถ้าเราเอาน้ำสีที่เต็มกระป๋องคุณภาพหนึ่งร้อยปรเซนไปย้อมผ้าขาวผ้ากับน้ำสีจะติดกันทั้งหมดเลยติดแล้วมันซักไม่หมี่ไม่ากางนี่เป็นอย่างนั้นเรียกว่า เมื่อเราทำสมถะกรรมฐานมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแม่เทียนถามหลวงพอ่อมันจึงซึกบมันแก้ไม่ได้พระน้ำสีมันยังดีอยู่นะมันยังเชื่อมเข้าหากันได้เรียกว่ามันสงบติดเฉยแต่มันไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ปัจนจุบัหลวงพ่อพิจรนารณานได้แล้วอันนี้หลวงพ่อมาทาแบบนี้แล้วมันกลายเป็นน้ำย้อมไหมหมดคุณภาพ น้ำย้อมไหม่เคยรู้จักไหมน้ำย้อมเต็มกล่องเหมือนเดิมแต่คุณภาพไม่มีเอาไปย้อมผ้าขาวผ้ากับน้ำสีมันก็จะไม่ติดกันเลยติดกันได้น้อยที่สุดเรียกว่าเรื่องโทสะโมหะโลภะจางคลายไปมันจางมันเองไม่ต้องไปทำอะไรมันคือมันเป็นเองเพราะว่าความเร็วของปัญญาหรือความเร็วของสัญญาหรือจะว่าอย่างไรก็ได้ คือสัญญาความหมายรู้จําได้คือมันรู้สถานที่ที่นั้นเองอันนี้เป็นวิปัสสนาที่หลวงพ่อรู้รู้อันนี้แล้วก็รู้เห็นเข้าใจกิเลสตัณหาอุปท า, านแับนี้ความมิดมั่นถึงมั่นก็จางคลายไปเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อทูลขีปักปันโนเมื่อใจยังมีความหลง ไปตามกระแสโลกอยู่ในความไฟฝันในการมาคุณอยู่กําลังใจที่เกิดจากสมาธิความสงบก็จะเป็นกําลังหนุนกิเลสตัณหาราคะให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นเพราะกําลังใจที่เกิดจากสมาธิความสงบเป็นเพียงกําลังหนุนเท่านั้นถ้าผู้ฝึกสติปัญญามาดีกําลังของสมาธิก็จะเป็นตัวหนุนสติปัญญาได้เป็นอย่างดี พิจารณาความจริงในสิ่งใดก็จะเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถ้าให้มีสติปัญญาให้หนุนกำลังใจที่เกิดจากสมาธิก็จะเป็นหมุนีิเลสปัญหาน้อยใหญ่ให้ใจฟุง้งไปตามอารมณ์ที่รับที่ชอบใจต่อไปคนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจว่าการทำสมาธิความสงบจะทำให้เกิดปัญญาทาให้ใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใส ทำให้ใจละอสวรรคกิเลสตัณหาความเห็นในลักษณะนี้จึงเป็นความเห็นเป็นมิจฉาทิจจีมีความเห็นผิดโดยไม่รู้ตัวถึงจะเข้าใจว่าเป็นความเห็นถูกดูก็ตามก็จะเป็นความเห็นผิดต่อไปดังคําว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วว่าดีเห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นถูกเห็นสิ่งที่เป็นอนัตตา ว่าเป็นอัตตาจึงตรงคันข้ามกับความเป็นรินอยู่ตลอดเวลาในความเห็นที่เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มาเข้าใจว่าเรามีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยไม่เป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอยางใดฉะนั้นการภาวนาปฏิบัติจึงเริ่มต้นจากความเห็นตามปกติใจจะมีความเห็นผิดเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจึงแก้ความเห็นผิดที่เป็นมิจฉาทิฐิให้หมดไปจากใจเสียก่อนแล้วจึงมาเริ่มต้นใหม่ให้ใจมีความเห็นเป็นสัมมาทิฐิความเห็นชอบเห็นจริงต่างความเป็นจริงที่ถูกต้องในเมื่อใจเราอย่างเป็นสัมมาทิฐิความเห็นชอบเราก็อย่าเพิ่งภาวนาปฏิบัติแอย่างใดเหมือนการออกรถลงสู่ถนนถ้าเราไม่แน่ใจในเส้นทางที่เราจะต้องไป ก็อย่าแล่นรถออกไปให้ศึกษาเส้นทางให้ดีดูแผนที่ให้เข้าใจจนเกิดความมั่นใจว่าถูกต้องแล้วจึงออกรถได้จะไม่ทาให้เสียเวลาจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการนี่ฉันใดการภาวนาปฏิบัติก็ฉันนั้นเราเกิดมาแก้ความเห็นผิดของใจให้เกิดความถูกจากนั้นไปก็จะเกิดความเห็นถูกการภาวนาปฏิบัติ ก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการเริ่มต้นถูกในทางกลางและถูกในที่สุดคือมรรคนิพพาขนขณะนี้มีผู้ตั้งใจภาวนาปฏิบัติกันอยู่มากกำลังแสวงหาครูบาอาจารย์ให้เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการปฏิบัตินี้อยู่เหมือนผู้หลงทางกำลังเดินทางอยู่หรือไม่แน่ใจในเส้นทางที่เรากาลังเดินอยู่ว่าผิดหรือถูก กำลังต้องการผู้ที่รู้เส้นทางที่ถูกต้องให้ถ้าผิดก็จะได้แก้ไขถ้าถูกก็จะได้เดินทางต่อไปด้วยความมั่นใจจะได้รีดเล่งทุ่มเทความภาคเพียรลงไปอยากเป็นกำลังข้อควรระวังเมื่อเรากำลังหลงทางแต่ได้เพื่อนที่กำลังหลงทางเหมือนกับเราหรือไปถามผู้ที่หลงทางเหมือนกับเราก็จะบอกส่งเดชไปเลยว่าถูกแล้วถ้าเป็นในลักษณะนี้ ก็ตัวไข่ตัวมันก็แล้วกันเพราะในยุคนี้ไม่เหมือนครั้งพุทธกาล